ถ้าเราไปกำหนดเราไปบังคับกายก็แข็งแข็งใจก็แข็งแข็งนิ่งนิ่งทื่อๆไปหมดส่วนใหญ่นักปฏิบัติยิ่งฝึกยิ่งแข็งยิ่งฝึกยิ่งเครียดตัวแข็งแข็งคอแข็งแข็งหลังก็แข็งบางทีเกิดอาการแปลกๆเช่นบางคนได้ยินเสียงตลอดเวลาบางคนได้กลิ่นเหม็นตลอดเวลาภาวนาอย่างนี้ไม่ไหวนะมันทรมานพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทาอย่างนั้น เราต้องค่อยๆฟังค่อยๆเรียนสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนกับสิ่งที่อาจารย์สอนถึงวันนี้ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่แล้วถามว่าพระพุทธเจ้าเคยสอนไหมว่าเดินจงกรมมีกี่จังหวะไม่เคยสอนนะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าขยับมือมีกี่จังหวะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกินขึ้นมาท่านสอนให้มีสติรู้ลมหายใจออกมีสติรู้ลมหาย ใ, ใ, ใจเข้าท่านไม่ได้บอกให้เอาฐานลมไปตั้งไว้ตรงไหนคําว่าฐานลมไม่มีใช่ไหยในพระไตรปิฎก แถมยังมีหลายจุดนะกระทบที่ปลายจงอยปากกระทบที่ปลายจมูกกระทบเพดานกระทบคอกระทบหน้าอกกระทบท้องมีหลายฐานนะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนทุกวันนี้ที่เราเรียนกรรมาฐานเราใจกว้างๆนะลองสำรวจดูว่าสิ่งที่อาจารย์สอนกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมันเหมือนกันไหมทำไมในพระไตรปิฎกไม่พูดถึงสิ่งเหล่านี้เลยพระพุทธเจ้าท่านบอกอยู่แล้วว่า ท่านสอนเฉพาะสิ่งที่จําเป็นในการตัดสรู้ในการพ้นทุก์สิ่งที่ท่านไม่สอนไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้นะแต่ว่าท่านไม่สอนเพราะท่านบอกว่าไม่จําเป็นฉะนั้นถ้าเราเรียนอะไรที่เกินจากที่พระพุทธเจ้าสอนต้องสำเนีกว่าเรียนของที่จําเป็นหรือไม่จําเป็นเรารักครูบาอาจารย์เคารพครูบาอาจารย์ก็ดีแล้วแต่อย่าลืมพระพุทธเจ้านะเป็นอาจารย์ใหญ่ของเราอาจารย์ใหญ่ของเราไม่ได้หายไปไหนทุกวันนี้พระพุทธเจ้ายังอยู่ ก็คือธรรมะที่ท่านสอนยังอยู่บริบูรณ์เลยไม่ได้หายไปไหนนี่แหละคือพระพุทธเจ้าของเราดังนั้นเราต้องเรียนธรรมะและศึกษาธรรมะให้ดีนะ